คนนะเวลาไปเดิอนอยู่บนหน้าผายิ่งเป็นผาสูงเท่าไหร่เนี่ยยิ่งกลัวนะที่กลัวนี่ไม่ใช่กลัวว่าจะพัดตกลงไปนะแต่กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะกระโดดลงไปเองหลายคนก็มีความรู้สึกแบบนี้นะคือค่ามันมีแรงกระตุ้นนอะไรบางอย่างที่จะให้กระโดดลงไปอาจจะเป็นเสียงก็ได้นะเป็นเสียง เสียงที่เป่าหูเนี่ยโดดลงไปเลยโดดลงไปเล ย, เยหลายคนเนี่ยกลัวนะกลัวไอ้เสียงเป่าหูเนี่ยกลัวว่าจะทําตามไอ้กลัวพัดตกลงไปนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ากลั ว, วจะกระโดดลงไปตามแรงกระตุ้นหรือตามเสียงที่เป่าหูเนี่ยอันนี้ก็แปลกนะ ทั้งที่คนเราเนี่ยเรียกว่าเรารักชีวิตของตัวนะหรือว่าเป็นสัญชาตติยานก็ได้สันเทศสัญชาตติยานที่รักชีวิตหรือว่ารักตัวกลัวตายจะ แ, แปลกที่มันหลายคนมีประสบการณ์คล้ายๆกันนะคือกลัวตัวเองจะกระโดลงไปทั้งที่ก็รู้นะว่าลงไปถ้าตกลงไปก็ ตายแน่นะแต่ว่ามันก็กลั ว, วจะทำตามเสียงนั้นไอ้ความรักตัวกลัวตายก็เลยทำให้ต้องถอยห่างออกมาเพราะคืนอยู่ตรงนั้นนี่อาจจะไปหลงเชื่อเสียงที่เป่าหูไว้รุ่นหลายคนน่อาจจะไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นนะ แต่ว่าบางครั้งมันก็มีเสียงบางอย่างที่เป่าหูแล้วเชิญชวนให้ทำอะไรบางสื่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเช่นเห็นเหล้าเนี่ยมันก็มีเสียงร้องสักหน่อยนะคนที่ไม่เคยกินเหล้าเลยเนี่ยแล้วก็รู้เหล้ารู้ว่าเหล้าไม่ดีนะแต่มันจะมีเสียงเสียงชักชวนเสียงยั่วยวน เสียงท้าทายโยโยนชักชวนคือเอาหน่อยนาเสียงท้าทายคือว่าไม่กล้าหรือไงบางทีมันไม่ใช่แค่เล่านะแต่ว่าจจะเป็นยาเสพติดเป็นยาบ้าหรือเฮโรอี น, นรู้ทั้งรู้นะว่ามันไม่ดีนะแต่ว่ามันก็มีเสียงที่เป่าหูหรือว่าเสียงกระตุ้นอยู่ในใจว่า ร้องเหน่อยนาะร้องเน่อยนาะถ้าแน่เนี่ยต้องลองถ้าไม่ลองจะก็ไม่แน่แล้ววัยรุหลายคนก็ผ้าท่าเสียทีติดยา น, นี่ก็เพราะว่าไอเสียงนี่แหละหรือผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยทำงานก็ทำงานด้วยความรับผิดชอบเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่ามีวันหนึ่งเนี่ยเกิด นะมีช่องที่จะทุจริตมันก็มีเสียงนะบอเอาเลยเอาเลยโอกาสมาแล้วเอาสักหน่อยนะบางทีมันก็มี เ, เหตุผลมาชักชวนนะว่าไม่มีคนเห็นหรอกนะไม่มีใครรู้หรอกเอาเลยนะลหลายคนก็ทำตามนะ ทีแรกอาจจะฝืนใจอาจจะมีการต่อสู้กันข้างในแต่สุดท้ายก็ทำตามเสียงเป่าหูนั้นทั้งที่ก็อาจจะรู้นะว่ามันไม่ดีแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนกับหักห้ามใจไม่ได้เพราะเสียงเป่าหูเสียงชักชวนนี่มันมันมีพลังเหลือเกินบางคนก็ อาจจะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้นะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องอื่นอย่างเช่นแต่งงานแล้วก็อยู่คู่ครองตัวเองเนี่ยราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรแต่วันนึงเนี่ยพอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมันก็มีเสียงเป่าหูในใจว่า ลองไปกีเพื่อส่งหน่อยนะหรือมันม็นเสียงชักชวนยั่วยวนให้ไปมีกิก๊กเรือจะไปมีความสัมพันธ์นะแค่ครั้งเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเสียงชักชวนให้ไปมีหญิงอื่นหรือว่าชายอื่นลัทงทีก็รู้นะว่าไม่ดี เก็จะรู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาตามมาแต่ว่ามันก็ก ด, ดรนไม่สามารถที่จะฝืนใจทำสิ่งตรงข้ามได้เนี่ยงหลายคนก็พาธาเสียทีเนี่ยทำผิดทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเพราะมันมีเสียงเป่าหู หรือว่าแรงกระตุ้นที่ว่าทั้งที่แต่ละคนเนี่ยก็รู้ผิดชอบชั่วดีนะแต่ว่าพอเจอไอ้เสียงที่ว่านี่มันทำให้ต้องนะต้องเผลอบางคนอาจจะไม่ถึงขั้ น, นทำสิ่งที่ผิดศีลที่ว่านะแต่ว่ามันจะมีเสียงเร้าเสียงกระตุ้นให้ทำอย่างอื่นที่ไม่ถูกต้อง เชิญกำลังเ e ิร์ชเว็บอยู่เปิดดูเว็บอาจจะดูติดตามข่าวสารข้อมูลเสร็แล้วมันมีเสียงยวดยวนเชิญชวนชวน่นะลองเปิดดูเว็บโป้หน่อยไปดูคลิปโป้หน่อยถ้หลายคนก็หักห้ามใจไม่ได้นะเขาเผลอไปแล้วก็ทีก็เลยติดงอมงำเลย มันก็ ม, นมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจของเรานะที่มันคอยชักชวนให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่ก่อพันให้กับตัวเองอาจจะเรียกไอเสียงแบบนี้ว่าเจ้าตัวร้ายก็ได้นะวคนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเจ้าตัวร้ายเนี่ยคอยก่อกวนอยู่ในใจที่คอยชักชวน คอยกระตุ้นเราให้ทำสิ่งที่ไม่เป็นกุญับเราหรือว่าเป็นโทษบางครั้งเนี่ยเวลาจะทำความดีแต่าก็ทำดีไม่ก็ได้เาอ้เจ้าตัวร้ายเนี่ยมันคอยขัดขวางอย่างเช่นหลายคนก็เห็นนะว่าการเจริญสติทำสมาธิการปฏิบัติธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดี แล้วก็ตัดสินใจว่าเนี่ยจะหาเวลามาปฏิบัติธรรมแต่พอใกล้เวลามันจะมีเสียงจากเจ้าตัวร้ายเนยมันบอกปฏิบัติไปทําไม เ, เราจะไม่แก่เลยเรายังไม่มีความทุกข์อะไรเลยเนี่ยปฏิบัติทําไมเสียเวลาแล้วไหวเล้อจะทนไหวเล้อ มันมีทั้งเสียงที่ชวนให้เขวหรือว่าทำให้เราขาดความมั่นใจและหลายคนก็นะยอมแพ้หลงเชือ่นะอเจ้าตัวร้ายเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เพราะการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวย่างอื่นด้วยนะซึ่งเป็นประโยชน์นะแต่ว่าเจ้าตัวร้ายมันก็คอย ปุกปั่นแล้กระทั่งอย่างเช่นตื่นนอนเนี่ยตื่นเช้าตั้งใจตื่นเช้าเนี่ยแต่พอถึงเวลานี่ได้เวลาตื่นมันก็มีเสียงเจ้าตัวไายบอกเฮ้ยนอนต่อเถอะาจะอ้างเหตุผลว่าเรานอนดึกเมื่อคืนหรือว่าตอนนี้มันหนาวแล้วก็เชื่อนะก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งดีๆที่เราอยากจะทำหรือตั้งใจทาก็ทำไม่ได้สักที มิจเจ้ตัวรายนี่มันมาในหลายรูปรักษ์นะหลายรูปแบบทักชวนให้เราทําในสิ่งที่เป็นโทษต่อตัวเองหรือว่าดวงเหนียวไม่ให้เราทําสิ่งที่ดีมีประโยชน์หรือบางครั้งเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์นะเช่นลูกไม่ได้กลับมาบ้านตามเวลาพําแล้วก็ยังไม่กลับเจ้าตัวร้ายก็จะบอกว่าเนสงสัยเกิดอุบัติเหตุละมัง่ง โดยรดชนตายหรือเปล่าหรือว่าถูกคนทําใิ้ดีมีลายไหมมันจะคอยนะจะเรียกว่าอะไรปลุกกระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดความวิตกกังวลมันทำให้หลายคนเนี่ยนะทุกทรมานมากนะเพราะว่าการคิดลบคิดร้ายบางทีก็มันก็มาในรูปองการยุแย่นะ ให้เราแวงหรือว่าเรียกว่าเสียมก็ได้สามีดึกแล้วยังไม่กลับบ้านนะมันก็เสียมวันนี่ต้องใสมีแฟนหรือเปล่าหรือว่าไปคบผู้หญิงอื่นหรือเปล่าตอนนี้กำลังจะเที่ยวนะสนุสนานกับผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้แล้วพอเป่าหัวนี้เนี่ยหัวทั้งแค้นทั้งโกรธ นะทั้งทุกข์ทั้งกังวลเราจะเคยได้ยินนนะิทานนะนิทานที่ว่าพระราชาเนี่ยมีอำนาจแล้วก็ถูกเสนาบาดีใกล้ชิ้เนี่ยเป่าหูให้ระแวงคนนั้นคนนี้จกนกระทั่งถึงขั้นหาทางกำจัดที่จริงก็ในความจริงก็มีเรื่องราวในพรบิดดอก็มีเยอะนะวรจาประสเสนที่โกศล น, นี่หลงเชื่อ ขาราชบริพานเกิดคิดระแวงอมาตคู่ใจถึงกับหาทางกำจัดเลยพอคาตายถึงค่อยรู้ว่าเนี่ยเป็นเพราะไปหลงเชื่อนะการเป่าหูหรือว่าการเสี่ยมการยุแยงแต่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนที่มีอำนาจนะที่ว่าจะมีคนเนี่ยคอยยุแยงแต่คนเราทุกคนเนี่ยจะว่าไปก็เหมือนกับพระราชานะเราครองจิตตนคร มันก็จะมีเสียงที่คอยยุยงแยงคอยเสียมให้เราแวดระวังหรือว่าเราแวงคนนั่นคนนี้เห็นเห็นแต่ข้อผิดข้อพลาดหรือว่าเห็นความไม่ดีของเขาหรือว่าบางทีก็เป่าหูว่าเนี่ยเขาคิดไม่ดีกับเรามันมีเสียงที่คอยเสียมคอยยุยงคอยยุยแยงอยู่ในใจเราที่ทำให้เราแวงบางทีก็ไม่ใช่คนที่เราแวนก็ไม่ใช่ใครเป็นคน ใก้ตัวมันจะเป็นพ่อเป็นแม่เจ้าตัวแรกที่เป่าหัวเนี่ยพ่อแม่ไม่รักเรามากเท่ากับลูกคนอื่นพ่อแม่นีนรักพี่หรือรักน้องมากกว่าเราก็คอยทําให้เจ้าตัวนี้นรู้เศร้าโศกเสียใจแล้วคนจำนวไม่น้อยเนี่ยนะเป็นทุกข์นี่ก็เพราะว่าเจ้าตัวร้ายเนี่ยที่มันคอย ยุ่ยาคอยเสี่ยมนะคอยทำให้คิดลบคิดร้ายหรือว่าระแวงแม้นะกระทั่งคนใกล้ตัวบางทีถึงขั้นนะเป่าหูเป็นเสียงด่านะเสียงด่าพ่อแม่เสียงจ้วงจับครูบาอาจารย์เนี่ยหลายคนนี่มีปัญหานี่มากนะมันมีเสียงด่าพ่อแม่อยู่ในหัวมีเสียงจ้วงจับครูบาอาจารย์อยู่ในหัว ทำยังไงทำไ ง, ำไงเสียงนี่ก็ไม่หายไปแถมจะดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกแยก่กับตัวเองนะรู้สึกว่านิฉานเป็นคนเลวเหลือเกินนะคิดร้ายคิดชั่วต่อผู้มีพระคุณนอนไม่หลับบางทีอยากจะฆ่าตัวตายก็มีไม่ได้นะ ไม่คิดลบคิดร้ายหรือคิดชั่วแบบนั้นอันนี้มันเป็นเป็นฝีมือนะของเจ้าตัวร้ายเนี่ยซึ่งมันสร้างความปั่นป่วนสร้างปัญหาให้กับเราเนี่ยหลายแบบหลายวิธีแล้วเราก็ต้องรู้ในะวิธีที่จะรับมือกับเจ้าตัวร้ายเนี่ยเพราะว่ามันก็มีอยู่ในจิตใจของคนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้วัดคนไกลวัดจะเป็นคารวะหรือพระคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จักเจ้าตัวร้ายนี่นะก็เลยโดนมันหลอกโดนมันชักชวนให้ทำผิดหรือว่าโดนมันเสี่ยมโดนมันยุ่ยแย่จกนกระทั่งเกิดความระแวงหรือว่าเกิดความทุกข์รัดรูมใจสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้เนี่ยในการละเมอเจ้าตัวร้ายเนี่ยคือการการมีศีล น, นะ การมีศีลเนี่ยเพราะว่าศีลเนี่ยนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ไปทำตามอานาจของเจ้าตัวร้ายแม้ว่าจะหวั่นไหวหรือว่าหลงเชื่อมันแต่ว่าเป็นเพราะศีลเนี่ยขวางกั้นเอาไว้จึงทำไม่ถนัดเช่นมันมายั่วมายวนให้เล่นยาหรือว่าเล่า หรือไปมีกิ๊กหรือว่าไปทุจริตลักขโมยเนี่ยแต่ว่าเพราะการมีเศษเนี่ยก็ทําให้ไม่สามารถจะทำํำตามที่มันสั่งได้แต่เท่านั้นไม่พอนะเพราะว่าบางทีทั้งที่มีศีแล้วแต่ว่าก็ก็ยังผิดศีลนะจนกว่าจะมีความมั่นคงในจิตใจเช่นถ้ามีถ้าคนที่ตั้งสัจจาวัเนี่ยนะตั้งสัจจาวัยเนี่ยฉันจะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการผิดประเวณีอพอตั้งสัจจานี้มันก็ทำให้จิตใจมีความมั่นคงรวมทั้งการมีสิ่งที่เรียกว่าอธิษฐานบา ร, รมีนะอธิษฐานบา ร, รมีคือความตั้งใจมั่นคล้ายคล้สัจจานึงกันนะแต่คือความตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจแล้วก็จะทำไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรชเช่นจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็ตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานบา ร, รมีว่าฉันจะทําให้ได้อย่างที่อธิษฐานหรือตั้งใจไว้อธิษฐานนี่มันไม่แปลว่าขอนะมันหมายถึงความตั้งใจเดี๋ยวที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้ว่าตัวเจ้าตัวร้ายมันจะมาพูดเป่าหัวให้เราเปลี่ยนใจยังไงเราก็ยังยืนยันมั่นคงที่จะทําสิ่งที่ได้ตั้งใจเอาไว้อนนี้มันช่วยได้เหมือนกันนะ ช่วยทำให้ใจเราเนี่ยไม่ตกอยู่ในอำนาจของเจ้าตัวร้ายแต่สิ่งสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ที่ช่วยได้มากนะคือการมีสตินะสติกก็คือช่วยให้เรารู้ทันนะรู้ทันเจ้าตัวร้ายนะเนี่ยมันเป่าหูนะถ้าเรารู้ทันนะเราก็จะไม่หลงเชื่อมันยิ่งถ้าเราอ่ามีปัญญาด้วยรู้ รู้ทันอุบายนะของเจ้าตัวร้ายเนี่ยเพราะบางทีมันก็นะสรรหาเหตุผลที่สวยหรูนะมาเพื่อให้เราคล้อยตามมันเช่นนะครั้งเดียวเท่านั้นแหละครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะหาประสบการณ์ลองดูหน่อยนะเป็นประสบการณ์ จะได้ไปแนะนําสอนคนอื่นได้นะว่าเล่านี่มันเป็นยังไงหรือว่ายาบ้ายเฮโรเ อ, อมเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยมันก็หาเหตุผลนะที่สวยหรูถ้าเราไม่มีสตินนะเราก็เชื่อมันถ้าเรามีปัญญาเราก็ไม่รู้ทันอุบายของมันก็สติและปัญญานี่มันช่วยได้มากเลยทีเดียว มันช่วยทำให้เรารู้ทันอุบายของเจ้าตัวร้ายม่มันมันมจะมันจะมาอย่างไรไม่ใช่รู้ทันเหตุผลที่มันสรรหาหรือว่าข้ออ้างที่มันเสกสรรขึ้นมาเท่านั้นนะแต่บางทีรวมไปถึงการที่เรา รู้ว่าอูบายที่สำคัญของเจ้าตัวร้ายเนี่ยก็คือการที่มันทำให้เราหลงเชื่อว่าไม่มีมันอยู่ในใจิตใจวันนี้มันเป็ น, ปนอุบายที่แยบขายมากถ้าเราหลงเชื่อว่ามันไม่มีเจ้าตัวร้ายอยู่ในจิตใจของเราเราก็จะประมาทเราก็จะ ตายใจแล้วพอเราตายใจเนี่ยนะก็เปิดช่องให้มันสามารถที่จะปั่นหัวหรือเป่าหูวเราได้แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยรู้จักใคร่ครวญตัวเราอยู่เสมอเนี่ยนะสติมันทำหน้าที่ตาไหนที่ทำให้เราได้เห็นนะความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะแต่ละขณะ แล้วถ้าเรามันมันช่วยทำให้เราใคร่ควรและเห็นตัวของเราเองเนี่ยชัดเจนมากขึ้นแล้วถ้าเราใคร่ควรมองตนอยู่บ่อยๆนี่เราก็จะรู้นะว่าที่จริงเนี่ยนะมันก็มีอยู่ในใจเราบางทีก็ซุกซ่อนคนจำนวนไม่ น, น้อยเนี่ยไม่มีสติไม่ได้ใคร่ควร จิตใจตัวเองแท้จริงเนี่ยบางทีก็เลยลงคิดว่าเนี่ยฉันเป็นคนที่ดีแล้วฉันเป็นคนที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยจากไอ้เจ้าตัวร้ายเนี่ยแล้วยิ่งเนี่ยมันมาเป่าหัวเราว่าเนี่ยเราเป็นคนดีนะเป็นคนมีธรรมะถ้าเราหลงเชื่อมันนะเราก็เสร็จมันได้ง่ายมากเลยเพราะเรา พอเราหลงเชื่อว่าเราเป็นคนดีมีธรรมะ เ, เราก็จะประมาทเราก็จะไม่ระม่ด ร, ระวังตัวเจ้าตัวร้ายหลบหัังกิเลสต่างๆานั่นนั่นแหละเนี่ยคือช่องที่มันจะโผล่เข้ามาเล่นงานหรือข่อมงำกํากัดติดใจเราได้ถ้าคนที่คิดว่าเนี่ยฉันเป็นคนดีมีธรรมะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้ความคิดแบบนี้แล้วนะบางทีมันก็เป็น ลูกไม้นะของเจ้าตัวร้ายที่มันทําให้เราเนี่ยประมาททาให้เราตายใจพราะพอคิดแบบนี้เข้าก็เลยคิดว่าเนี่ยมันไม่มีเจ้าตัวร้ายอยู่ในใจฉันหรอกใจฉันเนี่ยมีแต่ความดีความบริสุทธิ์ความคิดแบบนี้เนี่ยที่จริงมันก็ความหลงตนนั่นแหละ แล้วพอหลงตนเนี่ยมันก็เลยเปิดช่องให้เจ้าตัวร้ายนี่เขามาเล่นงานแต่ถ้าเกิดว่าเราตระหนักว่าเออเรายังเป็นผู้ศึกษายังเป็นผู้ที่กำลังฝึกฝนยังกำลังเป็นผู้ที่กำลังเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ย่อมมีเจ้าตัวร้ายรวมทั้งกิเลสต่างๆเนี่ยอยู่ในจิตใจตถ้าเรารู้จักมันตัวตรา อยจิตใจอยู่เสมอเนี่ยมันก็ทำให้เจ้าตัวร้ายเนี่ยมันสุกซ่อนได้ยากนะแต่ถ้าเราไม่ไม่หมั่นตัวตาเนไอ้พวกนี้มันก็ซุกซ่อนได้แล้วคอยจู่โจมเราเวลาเผลอเอ้ความถ่อมตัวนะถ่อมตัวนิวาโตจาเนี่ ย, วยความถ่อมตัวซึ่งเป็นมงคลประการหนึ่ง่ง ความหมายนึ่งคือการที่ตระหนักว่านี่เรายังต้องเังเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ยังมีกิเลสจะต้องขัดเกลาว่าแน่นอนนะยังมีเจ้าตัวรายที่จะคอยมารบกวนหลอกลวงปั่นป่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ประมาทไม่ตายใจและขณะเดียวกันถ้าเรามีมีสติและปัญญาดีพอเนี่ย เราก็จะรู้ว่าวิธีหนึ่งที่จะจัดการกับมันได้คือไม่สนใจมันมันจะเป่าหูมันจะปั่นหัวยังไงไม่สนใจมันเหมือนไม่มีเหมือนกับว่าไม่ฟังเสียงมันเลยแล้วไม่คิดจะไปสู้ลบตกมืออะไรกับมันด้วยปล่อยให้มันโวยวายไปอย่างเช่นเสียงด่าพ่อด่าครูบาอาจารย์จ่วงจากผู้มีพระคุณเนี่ย มันจะส่งเสียงด่าก็ช่างมันไม่สนใจมันเพราะถ้าไปสนใจเมื่อไหร่เนี่ยก็เท่ากับว่าพลาดท่าเสียทีให้กับมันเพราะมันก็จะพยายามยั่วยวนชักชวนให้เราไปสู้รบตบมือกับมันพอเราไปสู้รบตบมือกับมันผักสยมันมันยิ่งมีกําลังยิ่งมีอำนาจยิ่งฟังเสียงมันมันก็ง่ายที่เราจะเคลิ้มคลอยตามมันสิ่งหนึ่งที่เรา สิ่งที่มันที่มันทนไม่ได้คือการที่เราไม่สนใจมันไม่ฟังเสียงเป่าหูหรือปั่นหัวของมันแม้มันจะมาตะโกนด่าเรายังไงไม่สนตะโกนด่าพู้วิพระคุณอย่าง ไ, ไกาก ง, ไงก็ไม่สนใจสุดท้ายมันก็ค่อยหมดเรี่ยวหมดแรงไปหรือมันร่วมไม่ได้ผลอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะวิธีที่จะรับมือกับมัน โดยเพราะการที่เรามีสติมีปัญญาเนี่ยแล้วก็มีความถ่อมตัวไม่หลงตัวลืมตนนโดยเพราะถ้าเราตั้งอยู่ในความรู้สึกตัวอยู่เสมอเนี่ยนะมันก็จะมาก่อกวนปันปวนเราได้ยากหรือถึงจะปันปวนยังไงก็ไม่ได้ผลเพราะเราไม่สนใจเพราะเราตั้งอยู่ในความรู้สึกตัว ซึ่งเป็นเสมือนกับวิหารธรรมนะที่ปกป้องไม่ให้มันเนี่ยเข้ามาครอบงกำกากับจิตใจหรือมาเป็นครองจิตครองใจเราได้เอาคำนี้พูดเท่านี้นะเอาับ